นะเขียนสรกศนะสรกศก็ยมาจากส่งความสุขมีคนหนึ่งเขาเขียนสรกศอวยพรเพื่อนนะไม่เหมือนใครนะเขาบอกว่าขอให้เธอเห็นความสุขเนะขาไม่ได้อวยพรว่าขอให้เธอมีความสุขนะแต่ว่าอวยพรหรือว่าที่จริงให้แง่คิดมากกว่าว่าขอให้เธอเห็นความสุข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 เป็นอมาพึกอมาพราดนะเดินเหินไปไหนมา ไ, ไหนไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานและถึงตอนนั้นหละที่เราจะตระหนักได้ว่าการที่เรามี อ, าอยวะเป็นปกติร่างกายไม่เจ็บป่วยนั่นเป็นความสุขอย่างยิ่ ง, งการที่เรากินอิ่มนอนอุน่นไม่รู้จักความหิวโหย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 คนเรานั่นอยู่กับเรานี่มันเป็นโชคอันประเสริฐหลายคนมาได้คิดตอนที่เขาจากไปแล้วหลายคนมาได้คิดตอนที่สุขภาพย่าแย่ตาบอดหูหนวกหรือว่าเป็นอมัอมาพาตนอนติดเตียงแต่ทําไมเราต้องมามาสํานึกหรือว่าเราลึกได้เมื่อมันสายไปแล้วนะทาไมเรา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 ก็ยิ่งทุกข์าไปใหญ่ผู้คนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นนะมีคนหนึ่งเข้ามาไลฟฟังก็เป็นอาส า, าสมัครนะรับโทรศัพท์สายด่วนหลายคนที่โทรมาก็มีความทุกข์ใจมากจนอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็ป่วยป่วยหนักบางคนก็เป็นนี่สินลมละลายบางคนก็อกหัก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 แต่เขาภูมใจมากเลยภูมใจพ่อแหละเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมีกา 10, 000, ําไรหมื่นล้านเขาไม่ได้คือเขาได้กําไรห้าล้าน5้าพันล้านนะเขาคิดว่าเขาเสีย5้าพันล้านพอคิดแบบนี้เขาก็กุ้มใจจริงๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเงินก้อนใหญ่หญขนาดนั้นก็ได้นะ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 หลายคนก็มามารับด้วยความดีใจพอหมดพึ้งนั้นแล้วเนี่ยก็เอาอีกปึ้งหนึ่งมาครนี้หนังสือเล่มใหญ่นะขนาดเท่าพอ็พอกเก็ตบุ๊กนะก็แจกจนหมดนะเราก็ว่าคนบางคนที่ได้เล่มเล็กชุดแรกเนี่ยหลายคนก็เสียใจนะมีบางคนบอกมาหาแล้วก็มาขอเปลี่ยนได้ไหมขอเล่มใหญ่ ทำไมเขามาขอเปลี่ยนเล่มใหญ่เพราะเขาไม่พอใจที่เขาได้เล่มเล็กแทนที่เขาจะดีแทนที่เขาจะนึกเออฉันโชคดีนะฉันได้คนหนึ่งเขาไม่ได้นะแต่เขาก็รู้สึกว่าพอเห็นคนหนึ่งเขาได้เล่มใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ที่เคยดีใจกลายเป็นความทุกข์ใจไปแล้วทุกข์ใจถึงขนาดที่ว่ามาขอเปลี่ยนนะมาเล่มใหญ่ทั้งที่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่า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 แต่เขาไม่สามารถจะขโมยความสุขไปจากเราได้เขาไม่สามารถจะทำให้เราเสียงาน <c oughs> เสียการหรือเสียสุขภาพได้แต่เพราะใจที่ตั้งไว้ไม่ถูกนั่นแหละนะี่ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมานะีอีกหลายด้าน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเรานะรู้จักวางใจเนี่ยแทนที่จะบ่นตีโพยตีพายแล้วก็ยอมรับเกิดขึ้นแล้ว ใจที่ไม่ผลักสายเนี่ยนะมันก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ลองสังเกตดูนะความทุกขนะ์เนี่ยความทุกข์ใจมันก็เกิดขึ้นจากใจที่ปฏิเสธใจที่ผลักสายสิ่งต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แนะม้แต่สิ่งเล็กน้อยนะถ้าใจมันผลักสายแล้วก็เป็นทุกข์หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเพราะว่าเป็นสิวผิวตกกระนะแต่บางคนทั้งที่เป็นมะเร็ง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 มันมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นนะถ้ารู้จักมองหรือรู้จักใช้มีเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นนะแกเป็นรีวิวคีเมียตอนที่เป็นใหม่ๆก็ทุกนะแต่ตอนหลังแกก็กลับมาเป็นปกติได้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยไอ้โรคมะเร็งนี่มันนำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตแกหลายอย่างนะ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 ความคิดมันหยุดนะแต่มันควาว่าได้ตั้งหลักมาคิดก็ทำให้ได้มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาบอกถ้าเขาไม่เป็นมะเร็งเนี่ยก็คงเหมือนกับเด็กอายุ21ทั่วไปนอนหอพักตื่นตีสามไม่ใช่เข้านอนตีสตื่นบ่ายสนะรอเพื่อนมาเรียกมาชวนไปกินเหล้าใช้ชีวิตแบบนะประมาท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 เราก็ยังได้กําไรนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วนะพราะรู้จักวางใจให้เป็นปกติได้ไม่ผักสายไม่ปฏิเสธยอมรับมันเรายังได้กําไรด้วยคือได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้พรนะพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดที่รู้จักถือเอาประโยชน์จากอิทธารมและอนิธารมพระผู้มีพระภาคเจ้าสารสวนพุทธนำมาเป็นบัณฑิต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 แต่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรนะใจเรามีสติใจเรามีปัญญานะเรารู้จักมองแบบมีโยนิโสมณัสิกาหรือไม่เนะพราะฉะนั้นแม้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าก็สามารถได้ประโยชน์จากมันได้อชาชาพู้เรานะไม่กลัวนะปีชงปีเชิงเนี่ยอาจจะมีจริงก็ได้นะของวันนี้แต่ว่าไอ้ที่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 เราจะเปลี่ยนเหตุการ์ไม่ได้นะเหตุการณ์บางอย่างก็จะเปลี่ยนได้เช่นเจะบป่วยเราก็สา ม, มารถที่บันเทาออกกำลังกายจนกระทั่งร่างกายกลับมาดีขึ้นมาใหม่แต่เห็นร้ายบางอย่างมันก็ยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แต่เราสา ม, มารถที่จะเปลี่ยนผลจากผลร้ายให้กลายเป็นดีได้หรือว่าสา ม, มารถทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมา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 เพราะว่ากายมันทุกข์แล้วเนี่ยจะถ้าปล่อยให้ใจทุกข์ด้วยนี้ก็แย่เข้าไปใหญ่แต่ททำไงถีงให้ใจไม่ทุกข์ก็ใช้สติใช้สมาธินั่นแหละในระหว่างที่เดินฝ่าเปลวดแดดในระหว่างที่เดินเหยียบบนถินคลุกที่คมหินลูกลังที่ทิ่มเท้านะก็ถือเป็นโอกาสเจริญสติไปกายป่วยใจไม่ป่วยกายปวดใจไม่ปวด เ, เหตุร้ายมันยังสามารถเตือนให้เรารู้จักไม่ประมาท เงินหายนะอาก็สอนเรว่าเนี่ยเป็นเพราะเราประมาทนะเราเลินเล่อนะถือว่าไอ้ที่เสียไป 4,500 2 3ร0 0ยสันถือเป็นการซื้อบทเรียนว่าอย่าประมาทอย่าเลินเล่อและคนที่เขาได้บทเรียนตรงนี้นะมันอาจจะมีคุณค่าที่ทำให้เขาสามารถจะรักษาเงินหลายล้านเอาไว้ได้นะเพราะว่าเขา ไม่ประมาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มากกว่านี้เขาก็ยังสามารถที่จะรักษาไว้ก็ถือว่าได้กำไรนะซื้อซื้อบทเรียนว่าอย่าประมาทอย่าเลินเล่อเตือนใจอยู่เสมอ <ją in> <g> ก็ทำให้ไม่สูญเสียเงินหรือทรัพย์สินที่มากไปกว่า น, นั้นซึ่งอาจจะรวมถึงรถยนต์ด้วยเฮตรานก็ยังสามารถที่จะสอนทาไมกับเรา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 จนกระทั่งท้าวสักกะหรือพระอินเนี่ยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็มาเสด็จมาเพื่อประทานพรสประการนะถ้ามีพระอินมาประทานพรสีประการเราจะขออะไรนะส่วนใหญ่คงจะขอโชคลาภนะขอให้ร่ำรวยนะเมืองกนที่หลายคนไปขอหลวงพ่อคูณนะไปขอสารพระพรมขอให้ร่ำรวย คอยมีชื่อเสียงคอยมียศถาบรรดาศักดิ์ขอยมีบริษัทบริวารหรือว่ามีคู่รักสมปรารถนาแต่กันหาดาบบทที่ท่านขอเลยหนึ่งขอไม่โกรธสองขอไม่ให้มียายได้มีโทสะสขออย่าได้มีโลภ ะ, ะและสขออย่าได้มีศีสเนหาที่จริง ไอ้สข้อเนี่ยนะสรุปเป็น2ก็พอแล้วคือไม่โลภไม่โกรธแต่ว่าเนื่องจากพระอินทร์ขอให้โอกาส4ประการท่านก็เลยขยายมาเป็นจาก2เป็นสนะซึ่งความหมายคล้ายกันนะคือไม่โลภไม่มีเสน่หาไม่โทสะไม่ไม่ไม่มีโกรธบอกว่าพระอินทร์ทำงานพระอินทร์บอกยอมแพ้เพราะขออันนี้ให้ไม่ได้นะต้องทําเองแต่พระอินทร์แต่ว่าถ้า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 ไม่ใช่เพราะถูกยึดอำนาจไม่ใช่เพราะว่าถูกปลดขับไล่จากบัลลังก์นะแต่เพราะรู้สึกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ตัวต้องการอย่างในอินเดียมีกษัตริย์องค์หนึ่งนะชื่ออารังเซปอาลังเซบนี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคง น, น่าจะรู้จักพ่อมากกว่านะพ่อนี่คือชาชาหานซึ่งเป็นคนสร้างทัชมาาันะทัชมาหานนี่ก็สร้างให้กับมุมตัสนึงเป็นมเหสีสุดที่รักแล้วก็เป็นแม่ของอาลังเซป อเล็เซ์นีก็ยึดอำนาจจากพ่อนะข้าพี่ซึ่งเป็นราชทายาทแล้วก็เถลิงอำนาจเป็นเรียกว่าเป็นทรร์ราดนะแผ่ดินแดนอย่างกว้างขวางอินดินแดนนี่กว้างขวา ง, ขวางสมัยในสมัยของข อ, งองเล็กซ์นีกว้างขวา ง, วางมากว่ากันว่าอเล็เซ์นีครอบครองดูแลประชากรปกครองประชากรหึในสี่ของของโลกในเวลานั้นจัดว่าเป็นคนที่รวยที่สุดรวยกว่าอังกฤษอีก เพราะว่ามีเมืองเพชรมากมายที่ไปยึดได้ <c oughs> อารงเซสนี่ก็มีทั้งอายุวันนะสุขภพร้นะพราะตายตอนตอนชราทั้งที่ข่าผู้คนไปมากแต่ตอนตายเนี่ยอารังเซฟก็พูดกับลูกนะบอกว่าเนี่ยฉันมาแล้วก็ฉันก็ไปอย่างคนแปลกหน้าฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครใคำพูดแบบนี้มันสะท้อนถึงคนที่ไม่มีความสุขนะคนที่ไม่ไม่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 จะพบความสุขได้อย่างไรได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ยังอยากได้อีกท่านที่กันหาฤาษีเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยถ้าจะขอก็ข อ, อนี่แหละเนี่ยก็ถือว่าท่านฉลาดนะเพราะท่านร้ว่เนี่ยคนเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะใจเนี่ยไม่เมื่อใจไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไอความไม่โกรธไม่ร่วมนี่มันมีใครทําให้ได้นะพรอินทก็ให้ไม่ได้นะแล้วจะ จะได้มาอย่างไรก็ต้องทำเองต้องฝึกฝนเองดังนั้นการภาวนาหรือการทำความเพียรเพื่อฝึกฝนจิตใจเป็นเรื่องสาคัญถ้าอยากได้ชีวิตที่มีความสุขก็ต้องทำเอาความสุขไม่มีใครให้ได้นะนะต้องรู้จักมองแล้วก็รู้จักทำเอาจะทำชะนะได้ต้องมีความเพียรวิริยะซึ่งอันนี้ก็มันก็ไปสอดคล้องนะหรือไปสอดรับนะกับชาติโลอีกเรื่องหนึ่งนะ เป็นเรื่องของดาบทที่ชื่อว่าอากิตติท่านนี้ก็มีคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายกับกันหาดาบทก็คือบำเพ็ญตบะจนกระกทั่งเท้าสักกาศนี่มามาประทานพนปรประทานพร 4-5 หประการท่านอากิตติก็พิจารณาสักพักก็บอกเนี่ยขอหอย่างนี้แล้วกันนะ1ขออย่าได้พบคนผ่าน นะสองขอจะได้สนทนาจะได้ฟังคนพาลสามจะได้โอภาปราศัยคนพาลสี่จะได้ยินดีในการโอภาปราศัยคนพาลห้าจะได้สมาคมร่วมกันถ้าไม่ได้ขออย่างอื่นเลยนะเพราะท่านรู้ว่าไอ้คนพาลเนี่ยมันทําให้ชีวิตน่ยําแย่มงคลสูตรข้อแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ย มงคลสาเนี่ยข้อแรกคือว่าอาเซวนาจะพาลนังการไม่ควบคน้นพา น, นิเป็นข้อแรกของการที่มีมงคลทั้งสูงสุดเลยนะท่านก็เลยขอแบบนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ต้องเจอไม่เกี่ยวข้องคนพานีิชีวิตท่านก็จะมีความสุขได้ไม่ยากเสร็จแล้วท่านเปลี่ยนใจนะท่านบอกขอข้อเดียวอะไรล่ ะ, ะพระอินถามขอว่าท่านอย่าได้มาหาขับจ่อยกเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านมาเนี่ยจะไมให้ข้าพเจ้าเนี่ยเกิดความหวังพึ่งพาท่านอยากจะได้คำอํำนวยพรจากท่านก็ทำให้ข้าพเจ้าประมาทไม่ทำความเพียรนะขอดีนะขอว่าท่านอย่ามาเลยคือไม่เอาเลยนะอำนาจโดนบันดาลเนี่ยหรือว่าทางรัฐเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ไม่รู้จักพึ่งตัวเองท่านเชื่อว่า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 อ้างตัวเป็นชาวพูทแต่คนญี่ปุ่นนี่ถึงแม้ว่าเขาจําไม่ได้เรียกตัวเป็นชาวพุทแต่ว่าเขาเชื่อในเรื่องของความเพียรมากกว่าก็คล้ายๆกับอากิติดาบทนะนะขอพึ่งความเพียรตัวเองดีกว่าเนี่ยดีกว่าจะพึ่ง อ, อิทธิตทธิ์หรือว่าอำนาจโดนบรรดาลของพระอินทรนะ์เรื่องโชดเนี่ยก็เป็นเรื่องของอํานาจดดนบรรดาลอย่างหนึ่งดนะังนั้นถ้าเกิดว่าเรานะปีใหม่นี้เราอยากจะได้ พรในประเสริฐนะก็พึงตระหนักว่ามันไม่มีพรในประเสริฐเท่ากับธรรมะที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐนะสิ่งที่ประเสริฐนี่ไม่ใช่อายุวณาสุขาภละมันก็ประเสริฐนะแต่ไม่ใช่ประเสริฐที่สุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือธรรมะที่จะช่วยสร้าง ปรับปรุงคุณภาพจิตนะให้มีสติให้มีปัญญามีความไม่โลภมีความไม่หลงนะไม่โกรธนะแล้วก็รู้จักนะมองเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอันนี้แหละที่คิดว่าในเทศกาลปีใหม่นะถ้าเราปรารถนาที่ได้รับพรนะก็ขอให้เราลึกถึงพรอันนี้ว่ามันประเสริฐที่สุด เป็นพรที่เกิดขึ้นได้จากน้ำพักน้ำแรงของเราที่เกิดจากความเพียงของเราอีกไม่กี่ชั่วโมงนะก็จะปีเก่าก็จะสิ้นสุดนะถึงตอนนั้นปี257ก็จะกลายเป็นอดีตไปรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็จะกลายเป็นอดีตนะสิ่งที่เป็นอดีตนี่ผู้จ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าควรมีท่าทีอย่างไรนะ ท่านตัสว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรล้ำลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วล่วงบุคคลไม่ควรอาไลในสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะหรือบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไลและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์ละอย่างนะที่เกิดขึ้นในพศนี้มันหลายอย่างก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วก็หลายอย่างก็กำลังจะกลายเป็นอดีตนะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ สิ่งที่เราควรทาคือปล่อยให้มันกลายเป็นอดีตไปนะเป็นอดีตไปพร้อมๆกับปี2557นะแต่หลายคนเนี่ยนะปล่อยให้มันเปลี่ยนไปแค่ตัวเลขขึ้นปี2558แต่ว่าใจอาจจะยังอยู่กับปี2557เรือจะถอยหลังไปอยู่กับปี2553 เพราะว่าไปหลงติดติดตรึงอยู่กับเหตุการในอดีตถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะมันก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่การเปลี่ยนตัวเลขของศักราชนะแต่ว่าใจเราก็ยังติดอยู่กับอดีตปีใหม่ที่จะมาถึงนะก็ควรที่จะ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 กับท่านเจ้าคุณองคหนึ่งชื่อท่านเจ้าคุณอุดมนะวัดพระเชตุฐพลวัดพระเชตุพลนี่อยู่ยคนณละภากฝั่งแม่น้ํากับวัดละคังเลยท่านเจ้าคุณโน้นนี่ก็เป็นนักเทศนะท่านก็เทศเป็นกรอนนะว่าเทศเป็นชนํานองทํานองอุปมาปมัยนะท้ายพายเถนาพ่อพายยามัวตื่นสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็จบแค่นี้นะ ทิ้งให้หลวงพ่อโตท่านกล่าวแก้หรือกล่าวตอบแล้วก็ต้องตอบเป็นกรอนด้วยนะถ้าท่านจะตอบว่าอยังไรท่านก็ตอบเป็นกรอนว่าเนี่ยก็โซยังไม่แก้ประแจยังไม่ไขเรือจะไปได้อย่างไรละ่ะพ่อเจ้าคุณเนีจะพายเรือจะพายแค่ไหนถ้าโซยังไม่แก้ประแจไม่ไขนเนี่ยมันก็ไม่มีทางไปได้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 กลายเป็นอดีตไปด้วยเพื่อที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่หันกลับไปทบทวนนะเหการปี57หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเราไม่มาค่ำครวนด้วยอะไรก็จริงแต่ว่าเราควรจะทบทวนหรือคร้ครวนเพราะว่าถ้าเราไข้ครวนให้ดีก็จะได้บทเรียน สําหรับการดําเนินชีวิตมันย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้บทเรียนก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ผิดพลาดซ้ํา2มันมีความผิดพลาดอยู่2ชนิดนะผิดพลาดแบบถูกต้องกับผิดพลาดแบบผิดพลาดผิดพลาดแบบถูกต้องคือว่ารู้จักหาบทเรียนแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องผิดพลาด ประเภทหคือผิดแล้วก็ผิดอีกนะผิดซ้ำสองซ้ําซากนั่นแหละงั้นถ้าเรู้จากใครครวญทบทวนนะเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเหตุร้ายที่ทําความเจ็บปวดแม้กับจิตใจของเราก็ตามนะแล้วเวลาเราทบทวนเราใคร่ครวญแล้วเนี่ยนะนะควรจะขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ตลอดปี2527เพราะว่าเหตการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพื่อมาสอนเราเพื่อมาช่วยให้เราเป็นคนใหม่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นทำให้เราฉลาดมากขึ้นถ้าเรารู้จักมองนะแม้ว่ามันจะเจ็บปวดยังไงนะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปปักข้องติดตรึงกับมันคณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะลืมมันไปอย่างไรประโยชน์ เหตุรนี่ này, อัต charts, มาเปรียบเหมือนกับทุเรียนนะทุเรียนนี่หนามมันแหลมถ้าเรากอดทุเรียนไปเราก็ไม่ฉลาดเพราะว่ามันมีแต่เจ็บหนามมันก็ทิ่มให้เจ็บการที่เราจะไประลึกนึกถึงแต่เหตุร้ายที่ผ่านไปแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกอดมนันเอาไว้นะก็ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธหรือคนฉลาด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 ที่หอมหวานมากินทิ้งแต่เปลือกไปอย่าให้เราทำานั้นนะกับเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ที่เจ็บปวดนอดีตมันมีคุณค่าเสมอนะถ้าเรารู้จักใช้ถ้าจะปล่อยมันผ่านเลยไปเปล่าๆนะก็ถือว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้ารู้จักใช้ประโยชน์กมันก็ได้กำไรนะอีกไม่กี่นะชั่วโมง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 บางคนจะเหลือไม่ถึงพันวันบางคนจะเหลือไม่ถึงห้าร้อวันแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าบางทีชีวิตเราเนี่ย จ, จะเหลือแค่ไม่ถึงเจ็ดดวันด้วยซ้ําเมื่อวานนี้ <c oughs> นะครูคนหนึ่งก็ไปฉลองส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่แต่บกว่าปีเก่ายังไม่ทันจะสิ้นสุดเลย ตัวเองก็สิ้นลมซันแล้วเพราะว่าขับรถชนต้นไม้ตายตอนเช้านี่เพิ่งมีพิธีแต่งงานตอนเย็นต้องจัดพิธีศพแล้วเนี่ยที่วัดนี่ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งสวดศพเสร็จนะส่งท้ายปีเก่านะแต่ปีเก่ายังไม่ทันสิ้นเลยตัวเองก็สิ้นใจไปซะก่อน อันนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ดีนะว่าความตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่ในเทศกาลแห่งความสุขเนะียแล้วยังมีจะต้องมีคนตายกันอีกมากมายในคืนนี้นะคนที่เขาคิดว่าเขาจะมาสแสวงหาความสุขแต่ว่าจบลงนะด้วยความตายเพราะความตายเกิดขึ้นในทุกเวลาเพราะนในเวลาใ น, ในเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะ ให้เราลึกถึงตอนหนักอยู่เสมอนะว่าเวลาเราเหนือเหลือน้อยลงใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อการภาวนาให้จิตเราเนี่ยพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งพร้อมที่จะรับมือกับความปนผปืน้นปนไปในชีวิต ซึ่งรวมถึงความตายด้วยนะก็เขาฝากเอาไว้นะนะเป็นข้อคิดสำหรับพวกเราในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนะงไม่ต้องให้พอรอีกแล้วนะเพราะว่าให้พรไปเยอะแล้วนะก็อยุติเท่านี้นะ